เป็นยังไงภาาเก้าเน่าไหมภาวนากันรึเปล่าภาวนาจ้างานภรงนานี้เป็นงานสาคัญที่สุดเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงของเรางานอื่นนี่เป็นงานของร่างกายเช่นเราหาหาหาที่อยู่อา เครื่องหอมยารักษาโรคอันนี้เป็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเราแต่เราไม่รู้เราหนุคิดว่าร่างกายเป็นของเราแต่ที่เป็นของเราที่แท้จริงไม่ใช่ใจแล้วการภาวนาเนี่ยเป็นการให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรค ให้เครื่องมืงอของใจใจงานภาวนานี้สสำคัญหรือสำคัญกว่าการไปทำมาหากินที่เราทำกันอยู่เป็นประจำ <ไป S 1> เราจะทำมาหากินกเพื่อไหารายได้เพื่อมาจุนเจือชีวิตหรือร่างกายของเราซึ่งไม่ใช่เป็นตัวรูปฟังอนรักตางีเจ้าสอนขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารดีเนี่ ไม่ใช่ตัวเราแต่ที่เป็นตัวเราก็คือใจมโนเนี่ยมโนปุบังขามายามโนมโนเศธาใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นตัวตัวสำคัญของชีวิตเราเราก็ออกมาจากใจนี่นะออกมาจากมโน ออกมาจากความหลงของใจคือออกมาจากอาวิชชาปัจจยาสังขาราแต่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่รับผิดชอบกับการกระทาต่างๆของเราถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้อ ง, องก็จะเป็นอยู่เป็นประโยชนกับใจถ้าเราทำผิด มันก็จะเป็นโทษติดใจมนุษย์คือพวกเราสัตโลกทั้งหลายเนี่ยทำไม่ถูกทำผิดเพราะความหลงไม่รู้จักใจว่าเป็นตัวตัวที่สำคัญเป็นตัวที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นตัวที่เราจะต้องเลี้ยงดูยิ่งกว่าร่างกาย วิธเลียงดูใจก็คือภาวนาสีนถ่ายทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวน า, า, วน า, า, า, วนาเราก็จะได้รักษาใจที่สำคัญกว่าร่างกายของเราเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้มันรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายเหมือนฟ้ากับดิน ถ้าสุขใจแล้วไม่ว่าร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรถ้าสุขกายแล้วแต่ร่างกายแต่ใจทุกข์ความสุกขของใจก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะความทุกข์ของใจมันยุ่งยากกว่ามันเองอย่างคนที่ร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีความทุกข์ใจ ความร่ำรวยของเขาสมบัติต่างๆที่เขามีอยู่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเขาได้แต่คนที่ไม่มีเลยแม้แต่บาทเดียวเช่นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทุกยากทางร่างกายอยู่แบบอดอยากขาดแพลนอยู่แบบเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ แต่กับมีความสุขใจมากกว่าคนที่อยู่ในวังอยู่ในทราหัดอันใหญ่โตมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แต่ใจไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับอาหารคือไม่ได้รับการกระทำที่จะให้เกิดความสุขใจขึ้นมาก็คือ ทานสีภาวนาใจก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆดังที่เราก็เห็นกันอยู่ในชีวิตของเราเองและของคนอื่นๆมีมากมีน้อยก็มีความทุกข์เหมือนกันมากน้อยต่างกันที่ว่าทำใจได้หรือเปล่าภาวนาได้หรือเปลารักษาศีลได้หรือเปล่า ทำบุญให้ทานได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็จะมีความทุกน้อยถ้าทำไม่ได้ก็จะมีความทุกข์มากเนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็ความหมายก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าตัวที่ทุกข์มากรู้สุกมากก็คือตัวใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้สึก ว่ามันทุกข์เรื่องมันสุขหรืนังกายมันไม่มีความรู้สึกเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์เวลาอากาศแรงแห้งแรงขนาดไหนใบมันร่วงไปหมดมันก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์เวลาที่มันได้รับน้ำใบออกเต็มที่มันก็ไม่รู้ว่ามันสุขเพราะมันไม่มีตัวรู้ ไม่มีความรู้สึกไม่มีการรับรู้แต่ใจนี้แหละเป็นตัวที่มีการรับรู้จะรู้สึกเวลาใจทุกจะรู้สึกว่าเวลาใจสุขเป็นอย่างไรแต่ไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับความสุขกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีความสามารถหรือไม่มีปัญญา ต้องอาศัยคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราสอนพวกที่ไม่รี้กันพอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วก็จะมีคนสามารถที่จะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้เป็นจำนวนมากแล้วนำเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอมาจัดการกับความสุขความทุกข์ ที่มีภายในใจนั้นได้จัดการเพื่อกจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปรักษาความสุขให้อยู่กับใจไปตลอดอนันตการนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถจะทําได้เพราะเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนานๆจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะ อยู่ไม่เป็นอยู่ไม่นานศา ส, สนาพุทธนี้พระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านก็ส่งรทรัพยากรไว้ว่าประมาณ 5,000 ันปีหลังจากนั้นก็จะเสื่อมหมดไปคือไม่มีใครที่สามารถที่จะสืบทอดความรู้อันเปรนเสสนี้ได้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้เพราะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาและ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์นี้เป็นอากาลิโกไม่มีวันเสือ่อมแต่จะอยู่กับโลกได้หรือไม่ก็อยู่กับสัตว์โลกว่าจะจะรักษาไว้ได้มันจะสืบทอดกันได้ไหการสืบทอดการรักษาพระพุทธศาสนาก็ทำด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ด้วยการบรรลุแต่ทุกวันนี้สัตว์โลกเริ่มหลงทางจะรักษาศาสนาที่ถาวรวัตถุต่างๆพยายามสร้างโบทสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปต่างๆคิดว่านี่คือองค์ของศาสนาแต่ความจริงนี่เป็นเปลือกของศาสนาไม่ใช่เป็น ศาสนาศานาอยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะอยู่ได้อยู่กับโลกไปได้นานไม่นานก็อยู่ที่ว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมหไม่ <c oughs> ดังนั้นพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้ ในรอบนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นโชควาสนาอย่างว่าและอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้เพราะครั้งหน้ากลับมาเกิดใหม่าศาสนาก็อาจจะหายไปจากโลกนี้มาก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอให้กลับมาเจอกับาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ซึ่งก็ถ้กว่า จ, จะกลับมาเกิดมาปรากฏให้ ให้โลกนี้ได้จาั ก, การละได้ยึดเป็นที่พึ่งก็ต้องอีกหลายกลับหลายกันด้วยกัเราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้กี่หลายหลายแสนครั้งแล้วไม่รู้ว่าจังหวะนั้นจะตรงกับที่มีศาสนาอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าที่จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้หรือเปล่า อันนั้นไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นชาติที่ดีมากเราได้พบคํารู้คําสอนที่แท้จริงแต่ถ้าเราไม่เอามาศึกษาเอามาปฏิบัติก็ถือว่าเราเสียชาติเสียทว่าได้ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจะได้รับ นี่คือเรื่องของศาสนากับเรื่องของตัวพวกเราพวกเราตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ในขณะที่มีน้ําให้เราตักอย่างที่โบราณ น, นี้บอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะถ้าน้ําลดลงไปแล้วจะไม่มีน้ําให้ตักจะไม่มีน้ําให้ใช้ตอนนี้ถ้าเราตักเก็บไว้ในตุ่มในถัง ต่อไปเวลาน้ําลถเราก็ยังมีน้ําใช้ได้ถ้าเราไม่ตักตอนนี้ต่อไปเราไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะตัดใจของเราก็จะไม่มีความรู้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราความรู้ที่จะสอนให้เรากําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราความรู้ที่จะสอนให้เรารักษาความสุข ที่มีอยู่ในใจเรานี้ให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรดัง น, นั้นเราอย่าไปเสียเวลากับงานอย่างอื่นงานของใจเรานี้สําคัญที่สุดงานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนก็คืองานทานศีลภาวนานี้ อันนี้เป็นงานที่จะดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้และเราสามารถทำได้ภายในชาตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาทำเป็นกลับเป็นกันที่พระพุทธเจ้ า, าที่พระพุทธเจ้าจต้องใช้เวลาสะสมบุญบารมีทำงานนี้ให้สำเร็จได้ก็เพราะว่าทรง ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างไม่มีทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์พระองค์เลยต้องเสียเวลากับการทำการสร้างบุญบารมีต่างๆจนในที่สุดก็สามารถทำให้จิตใจของพระองค์จงหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ํามารบรรลุสิริพรนนิพพา น, านความสุขที่ถาวรได้สำหรับพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้เวลามากแต่สำหรับพวกที่ได้พบกับพระพุทธเจ้ารับได้ยินได้ฟังพระธรรมาาคำสอนนี้สามารถทำให้เสร็จภายในชาตินี้ได้เลยดังที่ปรากฏในสมัยพระพุทธกาล ที่หลังจากพระเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสากปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพียงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกที่ทรงประกาศพระศาสนาคือทรงประกาศในวันเพ็ญเดือนแปแล้วต่อมาอีกเจ็ดเดือนคือวันเพ็ญเดือนสามเรียกว่าวันมาคะบูชา ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ 1,250 รูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้ดัดหมายกันไว้ก่อนพราะพระอาหารหันต์ทั้ง 1,250 รูปนี้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปสมบทให้หลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์หลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพอได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอบวช ในพระพุทธศาสนาบางรูปก็ได้เป็นนักบวชอยู่แล้วแต่เป็นนักบวชในรัตที่อื่นที่ยังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่ารัตที่ไหนก็ตามทุกรัตที่ก็มุ่งไปที่พระนิพพานเหมือนกันแต่ไม่มีรัตที่อันไหนที่จะสอนให้ไปถึงได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียพระองค์เดียว พอพวกที่นักถือลัทธิหล่านั้นได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเขาก็เกิดศรัทธาขอบวชในโบห์พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้โดยเป่งวาชา ว, ว่าเอหิพิกขุจึงมาเป็นพระพุทธสถอะสมัยนั้นบวชง่ายโกนหัวผมผ้าเหลืองแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้า ขอบวชพระพุทธเจ้าบอกก็เออยงมาเป็นพระเถะิดท่นี้ก็บวชได้เป็นพระแนละ้วแต่ต่อมามีคนอยากจะบวชกันเป็นจํานวนมากและอยู่ที่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าต้องเดินทางมาลําบากลําบนมาขอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าก็เลยมอบภาระให้เป็นภาระของสงไปคือให้มีพระสิบรูป เอย่างต่าในในในในเขตที่มีพระจำนวนมากก็ให้ใช้พระสิรูปบวชพระถ้าอยู่ในที่ที่มีพระน้อยก็อนุโลมให้ใช้เพียงห้ารูปในการบวชพระใหม่โดยให้เป่งวาจาให้ถือพระรันตนกรายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรานณะ แม้ประกาศตนขอบวชในมวรพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เหล่านั้นก็จะทำยัติกรรมจะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มาบวชว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการบวชหรือไม่มีบริคารครบหรือไม่เมื่อมีคุณสมบัติครบพระสงฆ์ก็จะลงมติกันคือ ยอมรับให้เข้าสู่พระบวรศาสนาได้นั่นคือการบวชในสมัยปัจจุบันนี้แต่ในสมัยก่อนนั้นท่านบวชกันง่ายถ้ามีพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้มาเป็นพระภิกษุเถิดก็ได้เป็นพระแล้วแล้วสมัยก่อนบวชกันไม่ศึกกันไม่เหมือนสมัยนี้บวชเพื่อศึกไม่ได้บวชเพื่อที่จะ ปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้บวชเพื่อมรักผลนิพพานกันบวช ด, ด้วยส่วนใหญ่ก็บวช ด, ด้วยการเพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาที่ให้กําเนิดแก่ตนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงให้บวชในสมัยพุทธกาลนี้ให้บวชเพื่อให้มาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะสืบทอดพระาศาสนาต่อไปเพราะผู้ที่จะสืบทอดพระาศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือผู้ที่บรรลุธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนากับพวกเรา พวกเรามาเจอพระพนะุทธศาสนาเราจะได้อะไรเราก็จะได้ความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความรู้ที่จะแก้ความหลงของเราที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเช่นร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราคือใจอย่าไปดูรายร่างกายมันมากเกินเกินไป อย่าไปทุกข์กับมันมากจนเกินไปเพราะว่าอย่างไรก็ดูแลมันไม่ได้ไปตลอดร่างกายมันเป็นสมบัติชั่วคราวร่างกายนี้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พวกเราความหลงหลอกให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับการดูแลรักษาร่างกาย เราก็ไม่ค่อยสนใจกับการดูแลรักษาใจถ้าสนใจดูแลรักษาใจก็ต้องทำงานสามชิ้นนี้คือทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็มีสองขั้นคือสมาธิและปัญญาสมาธิและปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสติต้องเจริญสติก่อน สติเพื่อที่จะได้ควบคุมความคิดตุงแต่งของใจให้สงบตัวลงถ้าใจความคิดตุงแต่งไม่สงบตัวลงใจก็จะไม่เป็นสมาธิใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบดังนั้นถ้าทาเรื่องภาวนานี้เรื่องแรกที่ต้องทำก็คือสติที่นั่งสมาธิกันเลยแล้วไม่ได้ผลก็เพราะว่าไม่มีสติ เหมือนเด็กที่ย <Jub ilee> ังเดินไม่ได้จะวิ่งได้อย่างไรก่อนที่จะเดินได้จะวิ่งได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนเหล่อนี้ยังเพียงคลานอยู่เท่านั้นเองปุทธชนนี้เป็นเหมือนเด็กที่ยังคลานอยู่ผู้ที่ยังไม่ได้ภาวนาผู้ที่ยังทำสมาธิไม่ได้นี้เป็นเหมือนเด็กที่ยังคลานอยู่ยังเดินไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้ถ้าปัญญานี้ขั้นวิ่ง ถ้าขั้นเดินก็ขั้นสมาธิขั้นยืนก็คือสติดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ให้ได้ผลจริงๆต้องเจริญสติให้มากๆให้สติมีกําลังมากที่จะ ด, จดึงใจดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายเช่นว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้ร like ู้อยู่ว่ากำลังทำเรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นกาลังรับประทานอาหารก็ให้รู้ว่ากำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังทำงานอะไรก็ตามให้รู้อยู่กับงานนั้นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนากคต ถ้ายังข้ามจะไม่ได้สติไม่มีกำลังพอที่จะดึงให้อยู่กับการทำงานของร่างกายก็ต้องอาศัยการบริกรรมไปใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนก็ได้พุทโธไปไม่ว่าทำอะไรก็พุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ยกเว้นถ้าจำเป็นจะต้องคิดจริงๆเพราะว่าอาจจะต้องมีงานการที่จะต้องทำ เช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรจะต้องไปพบกับใครเวลาใดอันนี้ก็คิดเตรียมตัวไว้ก่อนได้ในขณะที่คิดก็ควรที่จะนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆไม่ควรทำอะไรทำทีละอยา่างให้ใจอยู่กับงานอย่างเดียวถ้าคิดก็ยืนเฉยๆคิดให้พอหรือนั่งคิดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทำงานที่เราต้องทาต่อ ยันต้องเตรียมตัวไปทำงานต้องอาบน้ำจะให้อยู่กับการอาบน้ำถ้าไม่ยอมอยู่ก็ต้องพุทโทไปแล้วก็อาบน้ำไปพุโทโธพุโทโธรไปอาบน้ำไปแต่งตัวตออก็อาบก็พุทโทไปรับประทานอาหารก็พุทโทไปออกจากบ้านก็พุทโทไปพุทโทไปเรื่อยๆดึงใจเอาไว้อย่าไปว่าอย่าว่าไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไร ก็ะจะทำให้ใจไม่นิ่งจะทาให้ใจฟุ้งซ่านได้ถ้ามีสติแล้วเมื่อเวลาเวลาเรามีเวลาว่างมานั่งหลับตาหามุมสงบนั่งหลับตาจะบริกรรมพุโทโธหรือจะดูลมหายใจไม่นานใจก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบพอได้พบกับความสงบแล้วจะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริง อยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่การได้เงินได้ทองมามากมายกายกองไม่ได้อยู่ที่เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้อยู่ที่การได้รับการยงย่อง ส, ะะสรรเสแสรเยินยอไม่ได้อยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสโพธภิภพชนิดต่างๆแต่อยู่ที่ความสงบที่เกิดจากการเจริญสติแล้วก็มานั่งสมาธิ น, นี้เองถ้าจิตรวมลงเต็มที่แล้วจาะ ไม่อยากจะได้อะไรออกจากสมาธิมาก็อยากจะได้ความสุขแบบนี้ก็จะเพียรเจริญสติต่อไปแล้วก็เพียรนั่งสมาธิต่อไปจนสามารถนั่งสมาธิได้บ่อยครั้งมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่อยากจะทำอะไรเลยก็อาจจะลาออกจากงานจัดภารกิจที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกไป ดูแลเพียงร่างกายถ้าบวชได้ก็บวชเลยก็มีแล้วก็มาบำเพ็ญภาวนาต่อถ้าได้สมาธิแล้วทีนี้ก็จะเป็นมีบาทมีฐานสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปเพราะถ้าไม่มีสมาธิแล้วมาเจริญปัญญานี้จะมีอารมณ์ที่ไม่ดีมาคอยขัดขวางเพราะการพิจารณา ทารทำยานี้ต้องพิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งถ้าใจไม่สงบนี้จะเกิดอารมณ์หดหู่จะ ไ, ไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมานี่คืองานของเราที่แท้จริงคืองานภาวนางานรักษาศีลงานทำบุญให้ทาน มันเป็นขั้นบันไดเราข้ามขั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ทําบุญให้ทานเราจะรักษาศีลไม่ได้ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้การภาวนานยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องทําบุญให้ทานเพื่อให้เกิดความเมตตาเกิดความปล่อยวางในสมบัติข้าวของเงินทองไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใย แล้วก็จะรักษาสิ่ได้ง่ายเพราะมีความเมตตาความเมตตานี้จะทําให้ไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นสัพเพสัตตาอเวลาหตุดจะไม่ไม่จองเวรจองกันอัปยาปชาหงุดหจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อไม่มีการทําบาปใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นงัวเมื่อใจไม่ว้าวุ่นขุ่นงัวการทําสมาธิก็จะง่าย ง่ายกว่าใจที่มีความว้าวุ่นสิเมืไม่สบายใจวิตกกังวลกับการกระทำบาปต่างๆนี่เพนนี้นเราต้องปฏิบัติเป็นขั้นไปแต่ก็ไม่แนะนำว่าต้องทำทีละขั้นทำไปพร้อมๆกันก็ได้ทำทานไปรักษาศึงไปแล้วก็ภาวนาไปต่อไปก็จะทำทานน้อยลงไป ศีลมันก็รักษาโดยเป็นปกติแล้สศีนลนี่รักษาง่ายมากไม่ทำอะไรมันก็มีศีลแล้วแต่ทานกับภาวนานี่มันจะมันจะแย่งเวลากันถ้าเราเข้าสูงภาวนานแล้วเราก็จะไม่ควรจะกลับไปทำทางไม่ควรจะเสียเวลากับการทาทางถ้าจะทำเราก็ทำแบบง่ายๆโดยจากเงินไปเลยเป็นก้อนันเลย ก็จะได้หมดภาระหมดปัญหาไปถ้าเป็นนักบวชก็สละหมดไปเลยมีสมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดนั่นแหละเป็นการทําทานถ้าทําทานแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทําทานอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรให้ทําอีกแล้วไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองจะืให้ใครอีกแล้ว ดังนั้นนักบวชแลือนักภาวนาถ้าได้ได้สละสมบัติไปแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องการทําทานหรืแต่ไปให้กังวลกับการภาวนาให้มากที่สุดควรทุ่มเทเวลากับการภาวนาให้เ ป, ปรียบชีเวไปอยู่ห่างไกลจากสังคมห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแล้วก็ทุ่มเท ชีวิจิตใจให้กับการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าทำได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในมหาสติประธานสูตรพระพุทธเจ้าก็สรงพยากรณ์ไว้แ ล, ล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากหรือถ้ามีความสามารถจริงๆภายในเจวันก็สามารถบรรลุได้ถ้าปฏิบัติแบบเข้มข้นตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเจริญสติ นั่งสมาธิจลินปัญญาสลับกันไปไม่นานจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่แหละเป็นโอกาสอันเลออันวิเศษของพวกเราที่มีอาจจะมีเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวกลับมาเกิดคราวหน้านี้อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็จะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเราว่าควรจะทำอะไร ขนาดที่มียังทั ก, กันไม่ได้เลยหรือไม่ยอมทำกันก็ไม่รู้ขนาดมีพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์คอยสอนอยู่ตลอดเวลามีหนังสือเยอะแยะไปหมดมีซีดีมีเทปให้ฟังกันเป็นจำนวนมากแต่การกระทำก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ก็ยังไปยุ่งไปห่วงกับการดูแลรักษาร่างกายมากกว่าการดูแลรักษาใจของเรา ชาวพุทธของพวกเราจึงเป็นเหมือนพวกทัพพีในหม้ อ, อกแกงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นจะไม่ได้ลิ้มรสของแกงจะไม่ได้รับประโยชน์จากแกงไม่เป็นเหมือนพวกที่เป็นลิ้นกับแกงถ้าเป็นพวกลิ้นกับแกงนี้จะได้รับประโยชน์เพราะได้สัมผัสรับรู้ก็ทําคําสอนรสแห่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นรสที่ชนะ ลดทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าพวกเรายังไม่เห็นว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงพวกเราก็ยังจะปล่อยลถอย่างอื่นไม่ได้เช่เรายังปล่อยลูปเสียงกลิ่นรสผลสัพะไม่ได้ยังปล่อยราบยศและสรสนไม่ได้แต่ถ้าได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วรับรองได้ว่าจะ ละหรือไม่สนใจกับรถอย่างอื่นแล้วจะมุ่งไปที่รถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเหตนขอให้พวกเราพยายามภาวนาทําจิตให้สงบให้ได้ทําจิตให้รวมให้ได้ให้ได้เห็นหนังตัวอย่างคือได้เห็นหนังตัวอย่างของพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรแล้วรับรองได้ว่าจะไม่อยากได้อะไรจะอยากได้พระนิพพานเพียงอย่างเดียวนะ เงินก็ขอให้พยายามศึกษาให้มากพยายามภาวนาให้มากพยายามเจริญสติให้มากพยายามรักษาศีลพยายามทำบุญให้ทานให้มากเราสักวันหนึ่งภายในชาตินี้เราอาจจะได้พบกับความสุดอันนี้เพราะมีผู้ที่ได้พบมาแล้วนับจํานวนไม่ชัว่วที่เรากล่า ว, ว่าวบูชาเป็นสังฆรัตณะนี้ ก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็ยังหลงติดอยู่กับรถของรูปเสียงกลิ่นรสรถของราบยศจันลเสรแต่พอท่านได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมได้เห็นหนังตัวอย่างท่านก็เกิดความติดใจเกิดฉันทะวิริยะกิฏตะนิมังสาคือเกิดอิทธิบาทสี่ขึ้นมาถ้ามีอิทธิบาทสี่แล้วทีนี้ไม่ว่าจะทาอะไรจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอน มี่คือทางที่พวกเราจะต้องไปกันครูบาอาจารย์ท่าพุทธเจ้าก็าไม่สามารถเดินแทนพวกเราได้มีแต่คอยบอกคอยเตือนคอยลากคอยจูงด้วยการท่ามสอนนี้เท่านั้นถ้าพวกเราไม่ทำกันเองเราก็จะไปไม่ถึงฉะนั้นขอให้พวกเรา เชื่อมั่นในคําสอนของท่พาพุทธเจ้าว่านเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะนําพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนการสแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือยังอยากมีปัญหา ในเรื่องใดก็ถามได้นะ พยายามที่จะพุทโธอย่างเดียวใจอะจ้าค่ะแล้วมันก็คือโดยอะโตมัสว่าตอเราทำนองหนอนยิบมนอนเนี่ยเราจะกําหนดจิตที่ลืนตี่จ้ค่ะพอทําพุทโธเราก็เลยพุทโธที่ลืนตี่ด้วยแล้วทำทำไปสักพักมันก็ไม่ค่อยสงบเจ้าค่ะแล้วไปเรียนถามพระอาจารย์การเรียนท่านก็บอกว่าให้เอกําหนดที่ไปลานจมูกเจคะแล้วก็หายใจเข้าก็พุทโธพุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเาค่ะก็ทำได้สักครังสองครั้งก็ เปนอ่เราก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่ค่อยทําไม่ค่อยได้แล้วค่ะเอาพุทโธอย่างเดียวได้ไหยไม่ต้องไปสนใจลมเลยได้ไหอสวดมนต์ได้ไหมไสวดมนต์ไปก่อ น, นะะสวดมนต์นปยังถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เอาทําเดียวตอ น, นต้องก็สวดอาลาห์สัมมาสวาชนาโตสุปติปันโนไปสวดพระสูตรใดที่เราจําได้ไปสวดกลับไปกลับมาซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ได้สวดมันยาวๆเลย ก็ครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีบางกระทั่งมันรู้สึกเหนื่อยหรือเย็นสบายอยากจะหยุดแล้วค่อยพุดโธคําเดียวเลยหรือดูลมไปอย่างเดียวไม่ต้องถ้าไม่อยากจะบริกรรมก็ดูลมไปอย่างเดียวดูที่ปลายจมูกเราตอนนี้เราเริ่มปฏิบตัติเราทําแบบเนี้ยเราจะต้องมหาสถิปตฐานสเราจะไม่ได้นั่งพอมนั่งพนมมือพระเพียบจะนั่งขัดสมาตินั่งสมาธิไป แล้วเราก็จะเอาสวนเราก็จะท่องคําแปลตอนนั้นเราได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษมาเราก็จะท่องคาแปลของมหาสติปัฏฐานสูตรไป่นกว่าจะจบ ก, ก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีพอ <Okay. S 1> ท่องจบแล้วใจมันก็เย็นสบายเราก็ดูลมต่อไปได้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แล้วถ้าเดินจงกมรมก็เดินจงกรมก็จะใช้พุทโธก็ได้หรือจะใช้คายขวาก็ได้ แล้วจะดูเฉยๆก็ได้เป้าหมายก็คือให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งก็สวดมนต์ไปก็ได้สวดอาหลังสัมมาสวรพาตูไปภายในใจก็ได้ถ้าพูดโธไม่ได้ก็สวดอาลังสัมมาไปหรือถ้าซ้ายขวาได้ก็ซ้ายขวาไปก็ได้เดินก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเดินก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปก็นี้ ให้ให้มีให้จิตมันมีอะไรยึดไว้เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเมืองนี้ถเวลาฟังเทศแบบนี้แล้วนั่งสมาธิไปดูไม่ได้ถ้าฟังเทศต้องฟังอย่างเดียวอย่าไปนั่งสมาธิเพราะการฟังนี่มันเป็นการทําสมาธิของมาในตัวอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยฟังเนี่ยมันก็นั่งสมามันก็เหมือนนั่งสมาธิอยู่แล้วถ้าฟังแล้วไปนั่งสมาธิมันก็ไม่รู้เรื่อง ก็อย่าไปฟังนั่งสมาธิไปเลยนอกจากว่าเราต้องอาศัยเสียงธรรมะเป็นตัวกล่อมก็ได้ก็นั่งไปแล้วฟังเสียงโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดตามก็ได้ฟังเสียงไปถ้าจะเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นั่งอย่าง้มันจะไม่ได้ปัญญามันจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ถ้านั่งฟังแล้วคิดตามไปพิจารณาตามไปมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วก็จะเกิดความสงบด้วยเพื่อสงบแบบไม่ฟุ้งซ่านถ้านั่งเ ฉ, ฉยๆไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่นั่งไม่ภาวนาพุโทโธไม่ดูลมนี้มันเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านได้อย่างนั้นก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้ท่านพระพุอาจารย์ครับก็ผมอยากจะเรียนถามว่า ก่อนที่เราะนั่งสมาธิเนี่ยควรสวดมนต์ไว้พระก่อนหรือว่านั่งอะไรในอดีตต่องกันครับก็อยู่ที่จิตของเราว่ามันหยาบหรือละเอียดถ้าจิตมันเนี้ยมันหยาบมันคิดมากนี่นั่งเลยมันนั่งไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนสวดไปเพื่อทําให้มันละเอียดลงไปให้มันให้มันหมุนช้าลงให้ความคิดปรุงแต่งมันหมุนหมุนช้าลงมันคิดน้อยลงไป พราะมันคิดน้อยลงไปแล้วทีนี้เราก็ดูลมไปดูลมได้แล้วก็ดูลมต่อไปเลยนั่นคือมาทําว่าเราไม่จําเป็นต้องสวดมนต์มากมายหลายบทใช่ไหมครับก็ก็อย่างที่บอกแล้วแต่ใจของเราว่ามันมันมันหยาบหรือเป็นละเอียดอย่างสมัยที่เราเริ่มแรกๆนี้เราต้องท่องมาสติปัฏฐานสูตไปประบาลสี่สิบนาทีก่อนแล้วถึงจะดูลมได้แต่ตอนหลังนี้ไม่ต้องท่องแล้ว เพียงแต่กาหนดสติดูลงปับมันก็สงบได้เราทำนี้เพื่อพัฒนาสติให้มีกำลังหยุดความคิดปรุงแต่งของเราเมื่อสติมีกำลังมากๆมันก็เหมือนเบรกที่มันมีกาลังดีแต่นิดเดียวมันก็กึกเลยแต่เวลาเบรกไม่ดีนี่เหยียบไปจมมันก็ยังไม่หยุดหรือรถมันวิ่งเร็วด้วยเหยียบไปจมมันก็ไม่หยุดง่าย แต่ถ้าเราภาวนาบ่อยๆหยุดความคิดปรุงแต่งเราบ่อยๆต่อไปมันจะเหมือนรถที่วิ่งช้าลงไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจะภาวนาให้สงบนี่มันเร็วมากเพ<อ>ียงแต่กําหนดปั๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องภาวนาพุทโธไม่ต้องอะไรเพียงแต่ตั้งสติปับ๊บดูความคิดปรุงแต่งปับ๊บหยุดละ เ, <อ>เหมือนกับการขับรถเลยการควบคุมจิตนี่เหมือนกับการขับรถตอนเริ่มทําใหม่ๆนี่เหมือนกับคนที่ไม่มีเบรก รถก็วิ่งเร็วรถวิ่งลงเขามันจะไปตามทางของมันแต่พอต่อมาเราเริ่มสร้างเบรกให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเราจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นนี่เราก็จะเริ่มทําให้มันวิ่งช้าลงได้ช้าลงไปได้เรื่อยๆการภาวนาต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นการนั่งทําสมาธิต่อไปมันจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นและสงบได้นานขึ้น ดันั้นต้องดูตอ น, ต, อนต้นก่อนว่าใจของเรามันเป็นงไงบางวันใจเราไม่ฟุ้งซ่านมากก็นั่งง่ายบางวันฟุ้งซ่านมากก็นั่งยากเพราะชีวิตของคารวะยังต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการทํางานอยู่บางทีมีอารมณ์ค้างมานี่นั่งไม่ได้ดูลมไม่ได้พุดโธไม่ได้ก็ลองสวดมนต์ดูบางทีสวดมนต์ก็สวดไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเปิดธรรมะฟั ง, ฟ, งฟังเทศไปก่อนถ้าไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดิน จงกลมแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้เดินไปให้มันเหนื่อยให้มันเพราก่อนให้มันหมดแรงก่อนถึงค่อยมานั่งพรบงทีอารมณ์มันแรงเป้าหมายของการภาวนานก็เพื่อ mm hmm. เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งนี่จะหยุดได้ก็ต้องมีสติหนึ mm ่ง hmm. คอยคอยคอยคอยเบรกมันไว้พอมีสติปั๊บมันก็รู้เออเรากำลังคิดปรุงแต่งแล้วนะเราเพ้อแล้ว แต่ถ้าพอเผลอปั๊บมันก็ไปบางทีเราดึงไม่อยู่ก็ต้องใช้พุทธโธดึงเอาไว้ไม่ใช้บทการสวดมนต์ดึงเอาวสวดไปเรื่อยๆถึงแม้ตอนต้นสวดมันอาจจะแข่งกันก็ได้เราสวดไปมันก็จะคิดไปด้วยก็ช่างมันเราขอให้เราพุ่งไปที่การสวดอย่างเดียวสวดไปสวดไปสวดไปเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องยอมแพ้เราเองถ้าเราไม่ยอมแพม้มันก็ต้องยอมแพ้เรา เหมือนพวกที่ชักกาเยอรกันสองสองฝ่ายฝ ไ, ไหนถ้าไม่ยอมแพ้มีกําลังมากกว่าในที่สุดมันก็ต้องชนะได้ถ้าเราอ่อนกําลังกับเขาเราก็แพ้ก่อนั่งได้ไม่นานก็ทนไม่ไหวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ลุกขึ้นมีแสดงว่าเราแพ้เขาแต่เราสู้กับเขาไปเรื่อยๆพอก็แพ้เราแล้วเราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาทันทีเพราะแรงต้านมันหมดไป แรงต้านที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันหมดไปจิตก็สงบตัวลงจะสงบมากสงบน้อยนี่ก็อยู่ที่ฐานของจิตว่าอยู่ตรงไห น, นไม่หมา่ฐานของจิตมันอยู่ไม่ลึกมันก็สงบน้อยพอภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะลงลึกเข้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะลงได้เต็มที่มันจะลงถึงฐานไปเลยมันจะว่างมันจะสบายมันจะเหมือนลอยอยู่ในอากาศ ก็ต้องพยายามทําไปทุกคนต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่เริ่มต้นที่เก้าที่หนึ่งไปนั้นพยายามเก้าไปเถอะพยายามทําไปเถอะมากน้อยทําได้เท่าไหร่ทําไปสติสํำคัญที่สุดเนี่ยทำทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสติสตินี้ท่านเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง ส่วนสมาธิปัญญานี้เป็นรอยเท้าเสือรอยเท้าสัตว์อื่นถึงแม้ว่าจะมีความสําคัญกว่าหมายถึงว่าปัญญาเท่านั้นที่จะตัดกิเลสได้แต่ถ้าปัญญาไม่มีสติก็เกิดไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เกิดไม่ได้ต้องมีพ่อแม่ให้กําเนิดถึงแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ตาม แต่พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่พระพุทธเจ้าสติก็เป็นผู้ให้กำเนิดแก่สมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดไม่ได้ดังนั้นถ้าเราภาวนาเราต้องดูที่สติเป็นจุดแรกก่อนพัฒนาสติก่อนแปลอานสติปัะฐานสี่ดู อนทีในสติปัฏฐานนี้สอนทั้งการจเจริญสติสอนทั้งการนั่งสมาธิคืออนาปนาสติและสอนทั้งการพิจารณารูกประคันลูกเวทนาสัญญาสังขารอยอย่างอยู่ในนั้นหมดเนยะเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาทั้งที่ประเทศศรีลังกาก็ถือพระสูตรอันนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุด ชาวพุทธที่ศีรังกางที่เคยได้ยินมาเขาจะต้องท่องทูตรบ น, นี้ให้ได้กันถือว่าถึงจะถือว่าได้บุญของเราจะถือมองคละสุกันมาก า, าเซวนาจะบาลานาวันดูตานงจากเสวนาอันนั้นก็เป็นทศสูตสสำคัญแต่จะไม่ละเอียด ไม่ได้พูดถึงภาวนาจะพูดโดยภาพรวมของผู้ที่ยังมีผู้ที่ต้องการความเจริญเริ่มต้นก็ต้องอาศัยวนาจัก บ, บาลานะัคือต้องไม่คบคนพานคือคนโง่คนที่ไม่รู้ธรรมให้คบบัณฑิตคนฉลาดคนที่รู้ธรรมเช่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่ากําลังคบบัณฑิตอยู่ ถ้าไปคบกับพวกที่ดื่นเหล้าเมายาเล่นการประนันพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยแสดงว่ากำลังคบคนพานคนดียังไม่เป็นนักการเมืองมีแต่คนพานนั่นแหนะที่เป็นนักการเมืองอา้าจริงๆนี่ไม่ได้ว่าเขาพูดตามความจริงใครอยากจะไปเล่นการเมืองบ้างในี้ได้ไหม ดังนนศึกษาปฏิบัตินี่ถึงจะปฏิเวทถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้ารู้แล้วว่าต้องปฏิบัติทีนี้ก็ต้องปฏิบัติหยุดศึกษาไว้ก่อนเริม่มปฏิบัติก่อนแล้วพอเราถึงเราถึงขั้นหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อก็อศึกษาต่อไปอย่าไปศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เลย เพราะว่ามันมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นศึกษาไปก็เปล่าประโยชน์เหมือนเรียนหนังสือปอล์หนึ่งเขาแค่เรียนแค่ความรู้สําหรับปอหนึ่งไปก่อนไม่ใช่เอาความรู้ให้เรียนตั้งแต่ปอหนึ่งจบปริญญาไปเลยในปีเดียวกันเปีแรกนี้ก็เรียนแค่ขั้นปอหนึ่งไปก่อนตอนนี้ก็เรียนรู้จากการทําบุญให้ทานไปก่อนว่าต้องให้ให้หมดมีเท่าไหร่ต้องให้ให้หมดแล้วถ้าให้หมดแล้วทีนี้ก็ไปเรียนขั้นที่สองได้ขั้นสี่ บทชาระก็เป็นเรียนศีลสองร้อยี่เจ็ดข้อบวชชีก็ศีลสามร้อยสามสิบกว่าเออถ้าเป็นพิกษุณีก็สามร้อยกว่าข้อถ้าบวชีก็ศีลแปดศีสิบแล้วก็รักษาไปรักษาแล้วก็ภาวนาไปเรียนการภาวนาต่อไปต้องทำอย่างไรจะเริญสติอย่างไรสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรสมาธินี้มีที่ไม่ถูกต้องคือ นั่งแล้วไม่สงบแต่นั่งแล้วไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ทางศาสนาพุทธไม่ต้องการสมาธิแบบนี้ต้องการสมาธิที่นิ่งว่างสงบสบายใจเป็นอุเบกขาไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรเป็นการกดหรือวเป็นการตัดกำลังของกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราว เพื่อจะได้เป็นบาตรฐานของการภาวนาของเจริญปัญญาเพราะถ้าจิตไม่สงบกิเลสไม่ถูกตัดกำลังเวลาพิจารณาทางปัญญามันจะเกิดอารมณ์ขุดหูอารมณ์ไม่ดีตามมาได้เช่นพิจารณาความตายหรือพิจารณาอสุภะถ้าไม่มีสมาธินี้ไม่มีขยะจะพิจารณาสุภะกันไม่มีใครอยากจะดูซากศพไม่มีใครอยากจะดูอาการสาสิทสองของร่างกาย แต่ถ้าเวลาจิตสงบแล้วดูได้พิจารณาได้จะไม่มีอาการคดสื่อกับจะมีความชอบเพราะดูแล้วมันทำให้ตรงสังเวทได้ตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไปจริญปัญญาเดี๋ยวจิตจะวิ ป, ปลาสได้สมัยพ็พุธการภาพพิจารณาความตายก็ฆ่าตัวตายเางก็มี พขารู้ว่าร่างกายนี้ต้องตายทำไมต้จะอยู่ไปทำไมก็ข้ามันพระพวทเจ้าก็ต้องมาห้ามว่าข้าไม่ได้ถ้าคิดจะฆ่าตัวตายนี้ก็ต้องหยุดแล้วต้องไปเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้เปลี่ยนการภาวนาไปเป็นเป็นสมถะภาวนาให้เจริญเมตตาภาวนาไปก่อนไม่เบียดเบียนต น, นและผู้อื่นเมื่อไม่นานก็หลายปีมาแนละ้วที่มีข่าวครอบครัวคน ครอบครัวหนึ่งที่เขาแขนงคอตายทั้งครอบครัวเพราะปฏิบัติธรรมแล้วจิตวิปลาดไปคิดว่าคงจะคิดว่าความตายนี้เป็นคําตอบผู้ที่ตะคาตตัวตายได้ก็ถือว่าก็เป็นถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุได้แต่ความจริงไม่ใช่ความตายนี้เราต้องยอมรับแล้วเราต้องกล้าตายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งแต่ฆาตตัวตายเราต้องตรงให้ได้เราต้องยอมรับความตายให้ได้ อย่างที่พระไปอยู่ในป่านี่ก็เพื่อไปตรงเพื่อให้ไปพบกับความความที่ความตายนี่แหละแต่ไม่ได้ตายไปอยู่ใกล้กับความตายที่จะทําให้เกิดความกลัวซึ่งเป็นกิเลสพอเกิดความกลัวสุดขีดขึ้นมาวิธีที่จะดับมันได้หรือวิธีที่จะดึงจิตให้กลับเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องใช้ปัญญาคือฝ่ารักต้องพิจารณาว่า กิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไม่ได้พอยอมรับว่าอะต้องตายแล้วก็ยอมตายพอยอมตายเท่านั้นจิตก็สงบทีนที้ร่างกายจะตายไม่ตายไ ม, ไ, มไม่เป็นปัญหาที่เราต้องการไปฆานั้นไม่ใช่ฆาร่างกายแต่ไปฆากิเลสคือความกลัวตายด้วยการยอมตายเพราะความกลัวตายก็คือวิภาวะตัณหานี่ความอยากไม่ตาย อยากอยู่ไปนานๆไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราทั้งหลายในขณะนี้แต่พอยอมตายแล้วทีนี้มันจะไม่กลัวความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้ายังกลัวอยู่ก็ยังเป็นกิเลสถ้าอยากตายก็เป็นกิเลสอยากอยู่ก็เป็นกิเลสต้องเป็นกลางเฉยๆ อยู่ก็ได้ตายก็ได้ถึงไม่เป็นกิเลสการปฏิบัติเนี่ยมันถ้ามันไม่มีครูบาอาจารย์จะหลงกันทุกคนจะหลงขั้นสมาธิก็หลงแล้ะส่วนใหญ่สบายนี้ก็อยากจะนั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่กันเห็นสวรรค์เห็นเห็นนรกเห็นเทพเห็นพรเห็นรลึกชาติได้เห็นอะไรต่าง เห็นแบบนี้มันก็เหมือนนั่งดูทีวีเนะี่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ได้ไปดับปีเด็กมันไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาถ้าจะเห็นต้องเห็นตายรักเห็นเรานอนตายอยู่เห็นอย่างเงี้ยได้ๆเห็นถัดสุภาษณ์เงี้ยได้แต่เห็นตอนนั้นเพียงแวบเดียวไม่พอออกจากสมาธิแล้วต้องเอามาเจริญต่อต้องเอามาระลึกต่อให้มันเห็นอยู่ทุกเวลาเลยทุกลมหายใจเข้าออกมองใครนี่มองเห็นไปซากสดทันทีเลย มองปับเห็นเลยว่าต่อไปต้องกลายเป็นขี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกมันต้องเห็นอย่างนั้นถึงจะถึงจะดับกิเลสได้ตัดกิเลสได้ถ้าเห็นช่วยขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาก็ไม่เอามาเจรินต่อมันก็ลืมลเหมือนไปดูหนังในโรงพอออกจากโรงก็ลืมไปแล้วที่ไปดูมีอะไรมาบ้างฉะนั้นการดูไม่การเห็นอะไรในในสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุ มันจะต้องเอามาพิสูจน์ในชีวิตจริงถ้าเราเห็นว่าเราต้องตายแ น, น่ๆเราก็ไปพิสูจน์ดูว่าเรายอมตายหรือไม่เรารับมันได้หรือไม่ต้องต้องเข้าสนามสอบก่อนเวลานั่งสมาธิอยู่คนเดียวนี่เหมือนกับทำการบ้าน นอกจากที่มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปถ้าขั้นผ่านขั้นร่างกายไปแล้วเนี่ยมันมันรู้ได้ในขณะที่อยู่ในในสมาธิเพราะตอนนั้นกิเลสมันสนามสอบมันอยู่ในจิตะล้อแต่ถ้าถ้ายังอยู่เกี่ยวกับร่างกายอยู่นี่มันต้องใช้มันต้องเอาร่างกายเข้าไปอยู่ในสนามสอบต้องไปอยู่ในที่ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายหรือถ้าความเจ็บปวดก็ต้องนั่งให้มันเจ็บไม่ต้องให้มันหายไปเอง ใจเราไม่หวั่นไหวไม่กลัวมันไม่ได้อยากให้มันหายใจเราต้องชอบมันแทนที่จะเกลียดมันเราต้องชอบมันให้ได้ถ้าเราชอบอะไรแล้วเราจะไม่อยากให้มันจากเราไปใช่ไหมงั้นถ้าภ า, า, าวนาก็ต้องต้องต้องคอยดูแผนที่คือถ้ามีหนังสือก็ถ้าคอยดู คอยอ่านแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติของเราอย่าเอาการปฏิบัติของเราแล้วความคิดของเราความวิเคราะห์อของเราเป็นเป็นตัวตัดสินใจเสมอไปเพราะมันอาจจะเรายังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเราจะคิดไปไปสรุปแบบผิดๆได้ถ้าได้ ถ้าได้ยินได้ฟังทมจากผู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยจะละเอียดละเอียดกว่าหนังสือพระไตรปิฎกบางเรื่องในพระไตรปิฎกไม่ได้แสดงไว้เพราะว่าปัญหามันมีหลากหลายด้วยกันแต่ถ้าผู้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรลองไปเล่าให้ท่านฟังหน่อเดี๋ยวท่านจะพูดตอบกลับมาได้ทันที นั่นก็ให้พยายามทําไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมสำหรับการภาวนาทําบุญให้ทานตามวาระมีโอกาสทํลก็ทําไปสีนก็พยายามรักษาให้มากขึ้นจากสีน้าก็พยายามรักษาสีนแตกไปได้ถ้าจะภาวนานี้ต้องสีนแตกถึงจะมีกำลังสีน5านี้ไม่มีกำลังเหมือนรถอะรถที่จะขึ้นเขานี่ต้องเป็นรถโฟวิน แต่รถธรรมดานี้ขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้สิน้านี้เป็นเหมือนรถธรรมดารถเก๋งธรรมดาไม่มีแรงขึ้นเข า, ถ, าถ้าอยากจะภาวนานี้ต้องใช้สินแต่เพราะมันจะตัดการมาฉันทะตัดเรื่องความอยากในการารมณ์ต่างๆสิน้านี่ยังยั ง, ย, งยังตัดไม่ได้สิน้านยังดูหนังฟังเพลงได้ยังกินข้าวเย็นได้ยังนอนบนฟูกหนาหนๆได้ ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่พอถือศีลแปดแล้วทําไม่ได้นะของเรื่องนี้เมื่อทําทไม่ได้มันก็จะมีเวลามาภาวนาได้ <c oughs> แต่ก็ต้องไปปีกไม่เวกด้วยถ้าไปได้ก็ควรหาที่สงบหรือถ้าอยู่ที่บ้านก็หาห้องหรือทําทําบ้านไว้สําหรับการภาวนา เวลาภาวนาก็ไปอยู่ที่นั่นคนเดียวอย่าให้อย่าอยู่ใกล้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาชีวิตของเขาของเราไม่เหมือนกันเขากินข้าวเย็นเราไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอุปสรรคได้<ม>เดี๋ยวจะให้พอนก่อนนี้แล้วใครจะไปจะไปได้แต่ถ้าใครอยากจะนั่งคุยต่ อ, อก็นั่งได้นั่ชายพี่อน ยะถาวาริวาฮาปุราปุริปุเรติสักังเอวเนวอิโตทินังเตตานังอุปการปติยิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวัสยะถามณีโชติรักโสภาถาสัพพติโยวิวาสันตุ สัพพโรโคลวินัสตุมาเตภวทวันตรายอสุขีทีพายุโกภวะลพิวาธนสีลิสะนิจังุทธาปจายิโนจตารโอธรมมวะทานติอายุวโนสุขังภาลัง เดี๋ยวนังสือใครต้องการก็มันอยิบได้นะหนังสือซีดีอิสไปตามความต้องการแต่อ่านนั่งมากก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มไปหรือเปล่ามันอ่านก็ได้ประโยชน์แต่ก็อย่าอ่านอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะต้องอ่านควบคู่กับการปฏิบัติถึงจะดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนคู่มือของการปฏิบัติเหมือนกับคู่มือรถยนต์อย่างเงี้ยถ้ารถเสียเราก็ต้องเปิดดูคู่คมือว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีช่างเราต้องดูเราต้องแก้เองเราก็ต้องเปิดคู่มือดูการภาวนาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์บางทีเราก็ต้องเปิดหนังสือดูถ้าหนังสือทางปฏิบัตินี่จะจะจะช่วยได้อรับ่านพระอาจารย์ตัดท้าเราใอ่ไหมรยืดในพระพุทธธรรมพะสงไว้นะครับอ จายรที่ฐนครับเวลานั่งสมาธิหรือเอเดินกลมกระเจสะติเนี่ยมันถูกสีน้ำมันะ้องเงครับมันจะทํางต้องต้องกินอาหารให้น้อยหน่อยกินมือเดียวยอมยอมยอมหิวหน่อยตอนนี้มันไม่ได้หิวกายแต่หิวใจ ร่างกายมันมีอาหารเกินความต้องการมันอยู่แล้วมีอาหารสะสมอยู่มากถ้าอย่างที่บอกต้องขีดถึงแต่เพีได้งั้นก็ไม่กินหลังจากเทรียดเพินมไป้วการภาวนาเนี้ต้องต้องยอมอดเพื่อจะได้ถ้าอย่างาาาาาจะมีความสุขกับลูเสียงิสียงวนามีาวนาได้มีอุปสรรมาก ไม่ง่วงเหงาเข้านอนก็พุงซ้าต้องต้องยอมอีดเมื่งองถึงถึงแดีอย่างที่เมื่อกี้พูดให้ฟังถ้าจะภาวนานี้สินห้าไม่พอถึงแปถึงสองว่ายุ่เก่ 2, ถ้าไม่ชอบบนอาหารก็ต้องไปอยู่ที่หน้าครัว ไปนั่งที่ในป่าช้าจะไม่ง้อหอกซงนะครับบางทีทำนี่ไปเลยครับต้องฝึก ส, ส, สตินชที่วิตประจมาให้มากมันง้กันมัน ม, มันไม่รู้เลยว่าเห็นมัยกับไัไม่มีสติสติไม่มีกำลั ง, งใ้พอนะอย่าท้าวาวาหาปุราภิรุลจิตสาคารัง เอวเนวะอิโตทินางเตตานางอุปกาปฏิทิตฐังปฏิตังตุมหางคิตฟ้าเมวะสมิจตุสัพเทโูเลนตุสามกปาจันโทปัญญาระสูยทถามนิโชติประสยทถาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินะสตุ มาเตผวะทวันตาราโยสุขีทีคายยโภพวะอาพิวาธนศีนมิจจามิจจุทธาปจายโนจตารธรรมวทานติอายุวนโนสุขังภาลางังขอให้ทุกคนเจริญด้วยความสุขด้วยอายุด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เสียบ่ายได้ป่วยนะ พระคุนเจ้าทระคาโกคติธรรมไนะนำไปปฏิบัติง่ายง่ายการปฏิบัติก็ต้องภาวนาง่ายๆนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกคืนทำได้ไหมทำได้เช้ยสวดแบบทำวัดเย็นก็ได้คือการสวดก็เป็นการทำใจให้สงบในระดับหนึ่งแต่ยังเป็นระดับของอนุบาลอย่ ถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นก็ต้องนั่งหลับตาตนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกหลังจากสวดมนต์เสร็จแลนน้วควรจะนั่งสมาธิต่ออีกทีถึงจะดีถึงจะสงบมากกว่าจากการสวดมนต์บุญที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจที่เราทำทุกอย่างนี้เพื่อความสงบเพียงอย่างเดียวทําบุญนี้ก็เพื่อความสงบใจรักษาศีลก็เพื่อความสงบใจไหว้พระสวดมนต์ก็เพื่อความสงบใจ ความสงบใจของการกระทาแต่ละอย่างนี้มันมันมันมากน้อยต่างกันทางการให้ทานก็ได้สงบนิดหนึ่งรักษาสีก็สงบมากขึ้นถ้าสวดบนไหว้พระ ก, ก็ยิ่งสงบมากขึ้นถ้านั่งสมาธิได้ยิ่งจะสงบได้เต็มที่ถ้าอยากจะสงบถาวรก็ต้องวิปัสสนามันมขนีขั้นขั้นของมันไเงั้นก็ขอให้ญาตโยมทำบุญให้ทานรักษาสี ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาวิปัสสนาตรงปล่อยวางให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราไม่ใช่ร่างกายเราคือใจใจเราไม่ตายไปกับร่างกายใจเราไม่ได้ตายไปกับสิ่งต่างๆใจเราต้องอยาบไปทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายึดติดเราจะทุกข์ เนง่ายๆใช่เนี่ยทาได้นะเยอย่าไปยึดติดกับอะไรถึงเวลาเขาจะไปได้เขาไปร่างกายนี้ถึงเวลาเขาจะไปไางเขาไปเราไม่ได้ไปจากเขาเราไม่ได้ตายไปจากเขาเราไม่ต้องกลัวเราได้ร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านล่านนะเดี๋ยวพอหมดร่างนี้เดยกก็ไปหาร่างใหม่มาร่าหมืนตุ๊กตาเนี่ยเราได้ตุ๊กตามาเล่นตัวเดี๋ยวพอมันตายไปเราก็ไปหาตุ๊กตาตัวใหม่มาเล่นต่อ นั่อยากถ้าไม่ทุกข์กับมันไม่ไปหลงไปยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เราต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขามีเกิดแล้วเขาต้องมีดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้แหละใจมีมีอย่างเดียวที่ไม่ดับไม่ตายก็คือตัวเรานี่แหละใจเรานี่ไม่ดับไม่ตายแต่ว่ากลับไปกลัวแทนร่างกายเวร่างกายเป็นอะไรเราไปกลัวแทนร่างกายร่างกายเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นเขาตายเขาไม่รู้เรื่อง แต่เจ้าของที่มาควบคุมมาครอบครองร่างกายคือใจนี้เป็นตัวที่ไปกลัวแทนเขาไปทุกแทนเขาถ้ามีธรรมะก็จะรู้ทันแล้วก็จะปล่อยวางได้ปล่อยได้ก็ต้องใช้สมาธิปล่อยปัญญาไม่มีครับถ้าเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วมีปัญญามีความรู้แล้วแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะแยกใจออกจากกายได้ ตอนนี้มันยังติดกันเหมือนกับกาวช้างมันติดกันแน่นมากายเรายึดติดกับร่างกายนี้แน่นมากถ้าเราอยากจะแยกมันออกจากกันเราต้องนั่งสมาธิให้มากเพราะเวลาจิตสงบนี่มันจะแยกออกจากกันเลยเต็นที่เลยพอเราแยกได้แล้วที่เราสบายแล้วพอเราใช้ปัญญาสอนว่าอย่ายึดนะมันก็ไม่ยึดแล้วยาอมันจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกาย จะแก่ก็แก่ไปจะเจ็บไายได้ตัวจะเจ็บไปจะตายก็ตายไปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยลองเอาไปพยายามปฏิบัติดูนะถ้าเราไม่เอาล่างเลยนะก็ไม่น้องก็ไม่ต้องกลับมาเกิดจะต้องตัดตัดความอยากทั้งหมดอย่าก็อยากอย่าไปอยากในรื่นเริงกลิ่นก็อย่าไปอยากนีอยากเป็นอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ สัตย์ความอยากความอยากนี้เป็นเป็นตัวที่ดึงใจให้ไปเกิดใหม่เช่นถ้าเราอยู่บ้านนี้เราก็ไม่ต้องออกนอกบ้านใช่ไหมถ้าเรามีความอิ่มเราก็ไม่ต้องออกนอกบ้านแต่ถ้าเรามีความหิวเราก็ต้องออกนอกบ้านออกนอกบ้านล้วก็ต้องไปหารถมาขับไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถถ้าเรายังอยากอยากดูอยากฟังเนี่ยเราก็ต้องมีตามีหูมาเราก็ต้องไปหาร่างกายมา แต่ถ้าเราไม่อยากดูอยากฟังแนะถ้าใจเรานิ่มใจเรานิ่งสงบมีความสุขแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่มไมหูต่อรูปเสียงมันก็ไม่ต้องมีร่างกายมันก็ไม่ต้องเกิดมาเนี่ยต้องตัดความอยากหล้มตัวการมาค้นหาความอยากในรูปเสียงกินละ